ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่เจดสบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่เจสให้คติธรรมว่าปัจฉาตปติทุ ก, กตังกรรมชั่ว ย่อมตามเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการคิดในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีคือการกระทาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนียว่ากายกรรมการกระทาทางกายวจีกรรมคือคำพูดมนโนกรรมคือแนวความคิดทำกรรมทำได้สามทางกายกรรมฆ่าสัต ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราอันนี้คือกายกรรมวจีกรรมพูดเทด็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้อันนี้คือวจีกรรมมโนกรรมโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิด อยากทำนองครองทำแต่คำว่าเห็นผิดจากทานองครองทำคำนี้แหล ะ, ะมันกว้างขวางมากสิ่งที่ว่าคนที่เขาว่าดีตัวเองกับว่าชั่วคนที่กับว่าชั่วตัวเองกับว่าดีนี่แหละอันนี้ก็คือเห็นผิดจากทานองครองทำแต่คนอื่นก็ไม่ต้องว่าละ่ะเพราะบอกพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ เป็นสาวกสังโฆท่านบอกว่าอย่าทำสิ่งที่นี้นะมันเป็นบาปอากุศล น, นะแต่ตัวเองกลับว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้แหละเปว่าอามนโนกรรมสิ่งที่คนอื่นท่านอื่นบอกว่าชั่วตัวเองกลับว่าดีเห็นผิดจะทำนองครองทำเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสำรวมกายวาจาใจของตนเอง ถ้าพวกเราสัมรวมกายวาจาใจของเรามีศีลห้ามีศีลแปดมีศีลสิบมีศีลสองอยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็คือสัมรวมกายสัมรวมวาจาสัมรวมใจก็คือมีสมาธิมีสมาธิาธทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งถ้าพวกเราทําอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ว่ากรรมชั่ว ของเรานั้นมันเกิดมาจากไหนถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่คิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นกรรมชั่วได้อย่างไรถ้าเราคิดขึ้นมาแล้วคิดไปในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดไปในทางชั่วทิฏฐิทางเอารัดเอาเปรียดคิดไปทางเกลียดโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหันนั่นแหละกรรมชั่วเหล่านั้นละ่ะอจะเผาผ่านเมื่อไผ่ล่ะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสํารวมใจของเราเป็นอันดับแรก เมื่อสัมรวมใจได้แล้วกายว่าจาเป็นลูกน้องลูกน้องเหล่านั้นก็หือไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะใจของเราเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วกายว่าจาก็เป็นสัมมาทิฏฐิไปด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราสัมรวมระวังด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนา์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง